ตอนนี้มีคนเรียนเหมือนพวกเรานะหลายประเทศแล้วพวกทีมแปลก็พยายามแปลกันแปลเป็นภาษาฝรั่งก่อนภาษาอังกฤษกันประเทศอื่นเขาก็มาแปลต่อไปอีกทีนงอีกหน่อยเราได้มีเพื่อนหลายๆประเทศเป็นชาวพุทธด้วยกันชาวพุทธตอนนี้เหลือน้อยนะเมื่อก่อน ศา ส, สนาพุทธเนี่ยมีคนนับถือมากที่สุดในโลกตอนนี้เป็นอันดับ3 ล, ลดไปอย่างรวดเร็วเลยในเวลาไม่กี่ปีในเมืองไทยก็มีมาก94ร์ในความเป็นจริงชาวพุทธมีสัก 5% เหรือเปล่าก็ไม่แน่หรอกคือชาวพุทธมันต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เป็นชาวพุทธเพราะว่าพ่อแม่เป็นไปนลงทะเบียนไว้เป็นชาวพุทธเลยเป็นแต่เปลือกไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรคนรุ่นเราเนี่ยจํานวนมากเลยไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆรด้วยซ้ําไปไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงๆไม่เชื่อหรอกว่าภาวนาแล้วจะเป็นพระอริยสงฆ์ได้คิดว่าเป็นอุบายหลอกให้คนทําความดี ให้ทำทานถือ้อศีลเนี่ยพวกพระแหลหลอกพระหลอกให้โยมทำทานพระจะได้มีอยู่มีกินศีลก็เป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองจะได้ปกครองง่ายบ้านเมืองสงบไม่ต้องจ้างตำรวจเยอะเลยศาลก็ไม่ต้องเยอะก็หมองได้แค่นั้นคนที่จะเป็นชาวพุทธแท้ๆต้องเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วสิ่งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆนะพระริยะส่งมีจริงๆทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์มีจริงๆแล้วเรามีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆด้วยถ้าเป็นชาวพุทธแต่เปลือกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแระทั้งบวชมาบวช ถ้าบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธเลยเพรนการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องสําคัญเป็นหน้าที่หลักของชาวพุทธเราเบื้องต้นศึกษาในภาคปริยัตศึกษาให้รอบรู้ทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรนะเพื่ออะไร ถัดจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติต้องรู้ว่าท่านจะสอนอะไรเพื่ออะไรให้ปฏิบัติอย่างไรอะรเนี่ยพอเรารู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติเป็นการศึกษาในภาคปฏิบัติมีปริยั ต, ม, ยตมีปฏิบัติสุดท้ายก็แจ่มแจ้งเป็นปฏิเวธขึ้นมาถ้าไม่เรียนปริยัตเลยนะก็ใช้ไม่ได้เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้คําสอนของผู้เจ้านี่สูงสุดเลยก็คืออริยาาสัจส มีแต่ภูมิปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะที่จะค้นได้ด้วยตัวเองลองลงมาก็มีแค่พระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นสาวกเนี่ยรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยศึกษาที่ท่านสอนคําสอนของท่านนะรวมลงไปในเรื่องอริยสัจนะั่นแหละการเรียนปริยัติไม่ใช่ต้องไปเรียนนักธรรมตรีโทเองแค่นั้นนะ ไม่ใช่เรื่องไปเรียนบาหลีจะเป็นท่านมหาได้ก้าประโยคเลยจบรอบรู้ในพระพุทธศาสนาถ้าเรียนแบบเพื่อท่องท่องเอาไว้สอบให้ผ่านเดี๋ยวก็ลืมละเราเรียนปริยัติเพื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเรามุ่งไปสู่ความดับสนิทสิ้นเฉิงของความทุกข์ ควาดับสนิทของความทุกขนะ์ก็คือความดับของขันทั้งหลายเพราะขันนั่นแหละคือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าขันเราจะไปตกใจชื่อแปลกขันถ้าภาษาไทยคือคําว่ากองเป็นกองเป็นกลุ่มฝรั่งเรียก division เป็นกองกองเป็นการเรียนด้วยวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นกองเป็นส่วน ส่วนของรูปธรรมส่วนของนามธรรมส่วนรูปธรรมก็เรียกว่ารู ป, ปรขันธ์ส่วนของนามธรรมมีมากหน่อยนะเป็นเรื่องทาง จ, จิตใจมีเวทนาขันธ์เรียนในส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในใจ เรียนเรื่องความจําได้กับความหมายรู้เรียกสัญญาขันความจําได้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสนได้จําสัมผัสได้จําเรื่องราวได้จําสมมุติมัญจับได้รู้ว่าอย่างนี้สมมุติอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เช่นเห็นไฟแดงรู้ว่าแปลว่าหยุดไม่ใช่รู้ว่าแค่ว่าไฟแดงมันรู้ซ้อนลงไปอีก มสมมติซ้อนลงไปอีกเรียนเรื่องสังขารคือความปรุงของจิตจิตเราเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะจิตก็ปรุงแต่งเดี๋ยวก็ปรุงรลบโกรดหลงนี่ายชั่วไยชั่วมีไม่มากนะจิตชั่วมีแค่สิบสองดวงเองนะจิตดีๆมีเยอะกว่านั้นแต่ไม่ค่อยเกิด จิตชั่วจะเกิดบ่อยมีแค่สิบสองอย่างเองจิตที่ชั่วชั่วนะย่อลงมาก็เป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเรื่ความปรุงของจิตขันตัวสุดท้ายเรื่องวิญญาณอขันวิญญาณอขันคือความรับรู้รับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้รูป ร, รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสใครเป็นคนรู้วิญญาณเป็นคนรู้นะ คนไทยมายืมคําว่าวิญญาณมาเอาไม่ใช้เป็นผีวิญญาณผนเอจรอะไรเงี้ยวิญญาณของเราผนเนจรทั้งวันอยู่แล้วละ่ะจรไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละจิตที่ไปดูรูปเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณจิตจิตที่ไปฟังเสียงเรียกโสตะวิญญาณจิตนั่นเรียกวิญญาณอันเดียวกันจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกั น, ญญนกระจก็อันเดียวกัน ใจภาษาบาลีเรียกมโนนะจิตใจนะวิญญาณคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรานะคือรูปรธรรมส่วนของร่างกายส่วนของวัตถุนะส่วนของนามธรรมมีเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้หรือตัวจิตเนี่ยคือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราสิ่งเหล่านี้โดยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะีรู้ว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าพูดถึงตัวทุกข์ถามว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ชาวพุทธเราต้องตอบได้ถูกต้องขันทั้ง5นี่แหละเป็นตัวทุกข์ อาการปรากฏของตัวทุกข์มีอะไรบ้างความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นมาของความทุกข์อาการปรากฏของอะไระอาการแสดงของอะไรของรูปของร่างกายแสดงความแก่ความเจ็บความตายคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเ ว, เ, รเวลาแก่ก็ว่า เ, เราแก่เวลาเจ็บเพราะว่าเราเจ็บเวลาตายก็ว่าเราตาย คนที่ได้ศึกษาธรรมะทองแท้แล้วเวลาแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับมันได้อาการปรากฏของทุกทางนมามธรรมก็มีนะในทางรูปธรรมมีความแก่ความเจ็บความตายอาการปรากฏของทุกทางนมามธรรมคือความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้เป็นอาการปรากฏของทุกทางใจใครเป็นคนพลัดพรากจากสิ่งที่รักเข้าใจเรานี่แหละพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างบางทีสามีพัญญารักกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะยังไม่ได้ทิ้งกันยังหยุดอยู่ด้วยกันนะแต่ต่างคนต่างนอกใจกันเนะนี่ยพลัดพรากล้สามีนอกใจไปอย่างนี้ ตัวมันยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้หนีไปเลยเรารู้สึกสูญเสียละใครสูญเสียจิตนั้นสูญเสียนะเป็นอาการความทุกข์ของใจรัดรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักนะอย่างเราเจอคนที่เกลียดเนะี่ยร่างกายเราไม่ได้ทุกขนะ์มันไม่ได้ทำอะไรเราเราเห็นคนที่เกลียดใจมันเกลียดมันเป็นความทุกข์ของใจนะความทุกข์มีอาการทางกายอาการทางใจ คนทั่วๆไปได้เห็นแค่ว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลาดพราดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์มีความอยากและไม่สมอยากก็เป็นทุกข์นี่คนทั่วๆไปเห็นแค่นี้แต่พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นลึกลงไปอีกมีกายก็ทุกข์แล้วล่ะมีรูปธรรมก็ทุกข์เพราะรูปธรรมมีนามธรรมก็ทุกข์เพราะนามธรรมตัวที่เรียกว่าทุกข์นี ก็ตัวรูปธรรมนามธรรมที่เราเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของอยู่นี่เองรูปธรรมนามธรรมนี้ได้มาเพราะจิตมันหยักลงไปเกิดอาจีนอยากลงสู่พพใหม่เราได้รูปธรรมได้นามธรรมนี้มารูปธรรมนา ม, มาธรรมขันห้าของเราเนี่ก็เรียกว่าบิบาเป็นผลของกรรม ที่เราสะสมมาบางคนได้รูปธรรมที่ดีบางคนได้รูปธรรมไม่ดีก็เป็นผลของกรรมมาแต่ในความเป็นจริงไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนนะมันก็เป็นตัวทุกข์มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงนะเนี่ยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเข้าใจความเป็นจริงของตัวรูปธรรมนามธรรมเข้าไปอีก คนทั่วๆไปเข้าไม่ถึงก็เห็นว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พระเจ้าลึกลงไปอีกก็มีร่างกายนั่นแหละมันถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายก็มีจิตใจแหละถึงพลัดพลากจากสิ่งที่รักถึงเจอสิ่งที่ไม่รักถึงไม่สมปรารถนานะยันตร์รับใดที่มีร่างกายก็ยังทุกข์อยู่ตรับใดที่มีจิตใจก็ยังทุกข์อยู่พระเจ้าสอนไปถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นะคือความดับสนิทของขันนั่นเอง ความดับขันเสิ้นเชิงเคยได้ยินเนี่ยดับขันทัพปรินิพานเวลาพูดถึงพระเจ้าตอนท่านตายเนี่ยตอนท่านวันที่ท่านตายก็บอกว่าดับขันทัพปรินิพานนิพานดับนิพานดับอะดับขันนะขันไม่มีขันเหลือไม่มีขันเหลือก็คือไม่มีทุกข์เหลืออยู่นะแต่ก่อนที่จะก้าวไปสู่ความดับขันได้เนี่ย เราต้องมาฝึกให้ถึงขั้นพ้นจากขันซะก่อนต้องฝึกให้พ้นทุกข์ซะก่อนถ้าพ้นทุกข์ได้แล้วก็ขันมันมีอยู่แต่เราจิตไม่เข้าไปครอบครองนะอยู่ไปเรื่อยเจนหมดอํานาจของกรรมเก่าขันนี้ก็แตกดับไปเรียกว่าดับขันตรงที่เราจะพ้นจากทุกข์เนี่ยต้องอาศัยการพ้นจากกิเลส กิเลสนี่แหละทาให้จิตของเราเข้าไปหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาครอบครองไว้พอหมดกิเลสนะโดยเฉพาะหมดเอาวิชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจจ์จิตจะวางขันพระอรหันต์เนี่ยท่านวางขันได้แล้วไม่ยึดถือขันงั้นเวลาเกิดแก่เจ็บตายท่านจะเห็นว่าขันมันแก่มันเจ็บมันตายสมหวังผิดหวังอะไรไม่มีในใจของท่านเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปแล้ว เราพาวนานะจนวันหนึ่งเป็นพระอรหันต์เราก็พ้นจากทุกคือพ้นจากขันไม่ยึดถือขันขันสุดท้ายที่ท่านวางออกไปเราบรรลุพระอรหันต์ก็คือจิตนั่นเองตัววิญญาณอขันนิงเป็นยึดไว้เป็นตัวเรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดเลยไปนั่งสมาธิไปทำอะไรอยากปฏิบัติทำอะไรก็อยากให้จิตดีอยากให้จิตหลุดพ้นนั่นแหละก็ยังรักยังหวงแหนจิตอยู่ รักอะไรก็ทุกข์พร้อนั้นแหละรากจิตอยู่ก็ยังทุกข์เพราะจิตอยู่นี่พระที่เดินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์พระนาคาที่เดินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นความเป็นจริงของจิตจิตนี้เป็นตัวทุกข์ท่านเห็นความจริงของจิตแล้วเนี่ยท่านก็ปล่อยวางจิตก็บรรลุพระอรหันต์พ้นจากขันทั้งปวงแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ไปอย่างนั้นแหละมีธาตุขันธ์เหลืออยู่ก็ไว้ทําประโยชน์สงเคราะห์โลกไป พระเจ้าบรรลุแล้วนะท่านก็สงคราโลกได้อีก45ปีนะสร้างบา ร, รมีมาทั้งหมดนะ20ประส่งไข่แสนมหากับพระเจ้าเราเนี่ยราได้รับพยากรเนี่ยจากพระเจ้าที่ผังก่อนเนี่ยสี่อสงขแสนมหากับระยะเวลายาวนานตั้ง20่ระส่งไขแสนมหากับเนี่ยอส่งไข่หนึ่งก็หนึ่ง เลขศูนย์ประมาณ148ปถึงร0อ่ะประมาณนั้นะนะคืกับหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทีหนึ่งเนี่ยเราก็คูณด้วย20ครั้งนะอะสงนไขคูณ20สงบสงไขคูณ20สร้างบารมีมายาวนานขนาดนี้นะเพื่อจะมาสอนเรา45ปี มา45ปีนี้เป็นเวลาที่เข้มข้นที่สุดเลยนะสะสมมาตั้งนานเพื่อเวลาแค่นี้เองจน45ปีนีเป็นช่วงที่แสงสว่างปรากฏขึ้นในโลกแล้ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยท่านสอนอยู่45ปีขันท่านอยู่ไม่ได้แล้วขันแตกท่านชราท่านบอกว่าเหมือนเกวียนเก่าคล่ำคล่า จะหลุดออกเป็นไม้เป็นชิ้นๆแล้วเอาเชือกเอาหวายเอาอะไรไปมัดมัดไม่ไหวแล้วจะพังแล้วหมดอายุขันแตกขันดับตอนที่ท่านดับขันนะเรียกว่าดับสนิทแห่งทุกขนะ์ตรงที่พ้นจากทุกข์พ้นจากขันนะมีชื่อเรียกว่าสอุปาที่เสสนิ พ, พ น, นิพานนิพานกิเลสหมดกิเลสแล้วจิตไม่ยึดขัน ตอนที่ท่านตายเรียกว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพานนิพานแบบไม่มีเชื้อเหลือเลยคือไม่มีขันเหลืออยู่นะมันเป็นภาวะที่พวกเรานึกไม่ถึงหรอกเราต้องภาวนานะจนเราเห็นนิพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันดีมันวิเศษขนาดไหนนิพานมีจริงๆไม่ใช่อุดมคติรนะอแต่คนจริงนะที่จะเดินตามพุทธเจ้าแล้วไปสัมผัสด้วยตัวของตัวเอง การคำสอยของพระพุทธเจ้านะมีจุดหมายปลายทางเนะี่ยเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นะก่อนจะดับสนิทแห่งทุกข์ได้ก็พ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันได้ก่อนทําอย่างไรถึงจะพ้นจากขันจิตเข้าไปยึดขันเพราะจิตไม่เห็นความจริงของขันว่าเป็นตัวทุกข์จิตเห็นว่าขันนี้เป็นตัวดีตัววิเศษอย่างเราไม่เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษ เราก็ได้รักใคร่หวงแหนเหนมือนคล้ายๆอย่างมีคนคนหนึ่งนะเราคิดว่าเขาดีมากเลยเขาหน้าดูเขาสวยเขาอย่างน้อนอย่างนี้เขาสวยเขารวยเขาดีทุกอย่างใช่เราชอบอยู่ต่อมาเราได้พบความจริงว่าสวยนี่เขาแต่งขึ้นมาทั้งนั้นไปผ่าตัดมาตัวจริงนักเกลียดมากนะแต่งมารวยก็ไม่จริงหรอก ทำทาดรวยไปเงี้ยจริงจริงนี่สินเยอะแยะเลยนะแล้วก็ร้ายมากเลยไม่ใช่คนดีหรอกไม่ใช่สุภาพบุรุษหรอกนะเป็นจิ้งจอกสังคมนะพอเราเห็นนะั้นมันร้ายสุดขีดอย่างนี้นะความรักค่ผูกพันมันก็หายไปนะเราเห็นทุกเห็นโทษเห็นความบกกรองของสิ่งที่เคยรักเนะี่ยมันก็หมดรักนี่สิ่งที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายคือจิตใจของเรานี่เอง เราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษร่างกายนี้ดีนําความสุขมาให้เพราะมีร่างกายเลยมีตาเพราะมีตาก็เลยได้เห็นรูปสวยๆเพราะมีร่างกายก็เลยมีหูมีหูแล้วก็เลยได้ยินเสียงที่ดีนะมีร่างกายก็มีจมูกก็เลยได้กลิ่นหอมๆมีร่างกายก็เลยมีลิ้นก็ได้กินของอร่อยอย่างเงี้ยมีร่างกายก็เลยได้สัมผัสอะไรที่ดีได้เสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้ ได้ของใช้ดีๆถูกอกถูกใจมีจิตใจก็ได้คิดนึกอะไรที่สดุกสนานเนี่เรามองได้แค่นี้ส่วนเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะเราจะพยายามลืมมันอย่างรวดเร็วเลยสังเกตไหมเวลามีความทุกข์นะพอความทุกข์ผ่านไปเราอยากลืมสนะอนกันด้วยนะลืมมันสเสถะลืมมันสเสถนะมาตั้งต้นเอาใหม่ตั้งต้นใหม่ก็เร็วใหม่อีกนะนะมันก็ไม่ดีอย่างเดิม เวลามีความสุขแล้วเราอยากคิดถึงความสุขผ่านไปแล้วเราก็หวยหาเมื่อไหร่ความสุขจะ ก, กลับมาอีกเนี่ยเพราะเราไม่เคยเห็นความจริงของทุกนะเราก็พยายามไม่ดูมันด้วยซ้ําไปร่างกายเต็มไปด้วยความทุกขแต่เราพยายามไม่ดูมันเราพยายามดูในตรงที่มันดีๆไว้ตรงที่มันมีความสุขจิตใจนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกขแต่เราไม่ดูมันเราก็จะดูคิดถึงแต่ช่วงเวลาที่มีความสุข พวกเรานั่งคิดถึงช่วงเวลาที่มีความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วัหยพยายามลืมนะไม่อยากคิดหรอกแต่ชอบคิดถึงความสุขที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคิดอย่างนั้นหรือเด็กเด็กมองไปในอนาคตนะก็จะคิดถึงความสุขที่มีอยู่ในอนาคตนะไม่คิดถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในอนาคตคนแก่หรือผู้ใหญ่นะมองอดีตไปก็จะมองถึงความสุขที่เคยเจอนะไม่มองความทุกข์ที่เคยเจอ จิตเนี่ยไม่เคยเห็นทุกข์เลยเราหนีการรู้ทุกข์ไปพระพุทธเจ้าถึงสอนวิธีปฏิบัติให้เราให้เรารู้ทุกข์ไม่ใช่ให้เราลืมทุกข์หนีทุกข์ไปให้เรารู้ทุกข์บ่อยๆทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายรู้สึกอยู่บ่อยๆรู้สึกอยู่ในกายเห็นความจริงของกายบ่อยๆในสุดก็จะเห็นว่าในกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ในจิตใจให้เห็นความจริงของจิตใจบ่อยๆก็จะเห็นว่า จิตใจนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพวกเราลองหายใจเข้านะหายใจเข้าให้นานที่สุดเลยหายใจเข้าไปถูกไหมเอาหายใจออกหายใจออกให้นานที่สุดเลยถุกไหมหายใจเข้าก็ถูกนะหายใจออกก็ถูกนะ รความร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งอยู่ทุกไหมลองนั่งนานๆทุกไหมนอนนานๆทุกไหมร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ทุกตลอดเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราละเลยไม่ยอมดูนะว่าร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ทุกคราวที่เกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์จะบีบคั้นใจใจเรามีความอยากตลอดเวลานะอย่างตอนนี้บางคนหิวข้าวแล้วอยากกินข้าวใจก็เริ่มกระวลกระวายเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกพูดสักทีผู้ใดฟังก็ยากยากนะอยากจะมาเที่ยวเล่นในวัดไม่อยากมานั่งฟังมากขนาดนี้ทุกคราวที่ใจมีความอยากใจจะมีความทุกข์ไปสังเกตดูนะต่อไปนี้ เวลาความอยากเกิดดูซิใจเป็นสุขหรือใจเป็นทุกขนะ์ไปดูเอาคนทั่วๆไปเขาเห็นแต่ว่ามีความอยากเกิดขึ้นอย่างไม่ทุกข์ต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์นักปฏิบัติอย่างพวกเราไปดูของจริงแล้วจะเห็นว่าทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะใจจะถูกบีบคั้นทันทีเลยเพราะความอยากนี่เกิดตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวอยากโน่อนอยากนี้ เดี๋ยวอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายที่ดีนะอยากพ้นจากสัมผัสที่ไม่ดีเยนะมีแต่ความอยากอยากคิดนึกเรื่องราวที่ดีอยากไม่คิดเรื่องที่ไม่ดีนะใจมีเต็มไปด้วยความอยากทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจิตจะถูกขยี้ทุกครั้งไปมันจะมีอาการขยี้จิตนะขยำจิตขยี้จิตบดลงไปเลยนะนะดูของจริงเข้าไปนะเรียกว่ารู้ทุก การรู้ทุกนี่แหละจะทําให้เรารู้ธทำนะถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นทำพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าทุกข์ให้รูนะ้คนทั่วไปมันหนีทุกเพราะงั้นมันวางขันไม่ได้พ้นจากขันคือพ้นจากทุก์ไม่ได้นะเวลาตายไปมีเชื้อเกิดอยู่ก็ไปเกิดใหม่ได้ขันใหม่ขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าเราดับตันหาดับความอยากลงไปสนิทแล้วนะัในใจเราดับความเข่าความไม่รู้ คือตัววิชาลงไปแล้วนใจจะไม่ยั่งลงสู่พบใหม่จะไม่มีขันใหม่เกิดขึ้นอีกเงินเป้าหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานะคือความดับสนิทแห่งทุกหรือความพ้นจากทุกเป็นลำดับกันวิธีที่จะพ้นจากทุกวิธีจะเข้าไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกคือการรู้ทุก ร่วงลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขถ้าเห็นได้อย่างนี้นะหมดความยึดถือในกายก็พ้นจากกายหมดความยึดถือในจิตใจในความรู้สึกทั้งหลายก็พ้นจากความรู้สึกนึกคิดทั้งหลนะายพอพ้นจากกองขันนี่ก็คือพ้นจากตัวทุกข์นั่นเองนะเราจะได้ลิ้มรสของการพ้นจากขันนะครั้งแรกนะ เมื่อบรรลุพระอนาคามีนะจะได้ริมรถความจริงได้ริมรถตั้งแต่โสดาละตอนบรรลุพระโสดาเนี่ยจิตพ้นจากขันแต่ว่าพ้นนิดเดียวเองเกิดอริยะมากคสองสามขนาดจิตเกิดอริยะผลสองสามขนาดจิตนะช่วงนั้นเองคือช่วงที่พ้นจากขันนะเห็นพระนิพพานมันสั้นนิดเดียวรวมแล้วสีหขนาดจิตทั้น5ขนาดจิตท่นาทนิดเดียวท่านเอง งั้โสดาสัมผัสพระนิพพานนะช่วงอริยมรรยาผลนะห้าขณะสกทาคาห้าขณะพวกนี้ยังจำสภาวะที่จิตพ้นขันไม่ออกนึกยากถึงอนาคาเนี่ยจะวางรู ป, ปรขันได้พระอนาคาวางรู ป, ปรขันได้แม้จะรู้แล้วว่าสภาวะที่จิตพ้นจากขันนี้มีความสุขนะแต่ยังพ้นจากจิตไม่ได้ยังไม่วางจิตนะพระอรหันต์เนี่ยวางจิตลงไปแล้วนะั่นท่านจะแจ้งเลยแจ่มแจ้ง สภาวะที่พ้นจากขันเพระะนั้นจแจ้งในสภาวะของพระนิพพานเต็มบริบูรณ์นี่พวกเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆรู้ทุกไปการรู้ทุกเนี่ยคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วมาสอนพวกเรารู้ทุ ก, ก็คือคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจรู้บ่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆ อ, อย่าใจลอย ถ้าใจลอยก็คือไม่รู้กายไม่รู้ใจมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมอย่าใจลอยให้รู้อยู่ที่กายให้รู้อยู่ที่ใจบ่อยๆให้รู้นะไม่ให้ดัดแปลงด้วยไม่ให้บังคับกายบังคับใจให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นเพื่อจะได้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเช่นต้องทําขลึมๆเนี่ยเนี่ยไม่รู้จริงหรอกนะ มันจะรู้สึกว่าเนี่ยทุกข์มากเลยเพราะว่าไม่กระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกก็หายทุกข์ละใจนี้คิดอย่างนั้นเพราะะเราจะไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปเป็นกามสุขหลักการยุโยคถ้าบังคับกายบังคับใจเรียกว่าตึงเกินไปเป็นอัตตะนนกิลมัฐานุโยคสองทางนี้ ผู้ปฏิบัติไม่ควรซ่องเซฟสำนวนพระบาลีนะไม่ควรซ่องเสพคืออย่าไปทำสองอย่างนี้อยู่ในทางสายกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนิ่งดูของจริงไปเมื่อเราดูของจริงไม่นานเราก็เห็นความจริงนะถ้าเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจซะแล้วก็ไม่มีของจริงให้ดู ถ้าเราลืมกายลืมใจเสแล้วก็ไม่ได้ดูของจริงนะงั้นเราไม่ดัดแปลงนะแล้วเราก็ไม่ลืมแค่รู้สึกบ่อยๆในสุดเราก็จะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วเรียกว่ารู้รู้ความจริงแล้วนะจิตจะค่อยคลายความยึดถือไปเป็นลำดับลำดับนะสุดท้ายจิตกว็วางขันวางขันได้เนี่ยอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ทั้งหลายอีกนะอัศจรรย์มากเลยไปฝึกนะไปฝึก เดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวก่อนก่อนจะฝึกก็ต้องมีแรงนะกินข้าวพวกนั่งดมทางนี้ทุกท ร, รมานมาพอสมควรละนะนิมนต์นะครับ